วางทำต่อในการย้าเตือนกันในการปฏิบัติในการใช้ชีวิตตัวใครตัวมันทมนี้มันมีสองอย่างโลกรตนะธรรมโลเกียธรรมโลกรตนะธรธรมต้องต่อยอดจากโลกเกียธรรมนี่ไป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 โลคุตรลธ ร, รมเป็นโลที่เราไม่โลดจืดแต่โลกเกียร์ธรรมนี่ที่สุดคือการเกิเจียร์เจ็บตายสิ่ที่มันมีโลดเนี่ยจนโลคุตุลธะโลคุตุลธามนั้นเหมือการเกิดเจียร์เจ็บตาย ชีวิตเราควรจะเข้าถึงโลกุตต ร, รธรรมถึงจะคุ้มค่าชีวิตที่เกิดมาเนี่ย <c oughs> าการชื่ช่างโลกุตตรธรรมนี่อาศัยชีวิตนี่ที่มีอุปกรณ์เครื่องมือในกายมีใจ เป็นอุปกรณมีสติใช่กายใช้ใจให้ถูกต้องได้มีสติจะใ ช, ใช้กายใจให้ถูกต้องได้ดินเฉียงมันมีสิ่งที่ผิด มันมีสิ่งที่ถูกอยู่ที่เดียวกันผ่าผ่อยสิ่งที่ผิดเป็นผิดไปสิ่งที่ผิดต้องเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ถูกถ้ามีสติจะเป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีสติผิดก็ผิดตะพื้ตะพื้สุขก็สุขตะพื้ตะพือทุกข์ก็ทุกข์ตะพื้ตะพือไปจนตาย แต่ถ้ามีสติอยากเปลี่ยนผิดเป็นไม่ผิดเป็นรูปสุกเป็นรูปอะไรกันั้างๆเป็นรูปทั้งหมดทำลายทำลายลดของโลกเกียร์ธรรมไม่เป็นโลกุรธาถรรมได้ตรงนี้เราต้องไม่มั่นใจ แนวแน่เราจะเอาอย่างไงกันในการใช้ชีวิตนี้ไม่ใช่ทำเล่นๆเนอยอกๆหยแยะการเอาจริงเรื่องนี้ไม่ใช่น่าดามความเครียดเปนการสุก ข, ข์ุเป็นการนุ่มนวลเป็นการอ่อนโยนเป็นการรลบครอเป็นศาสตร์เป็นศิลไม่ใช่ตึงตังอะไรต่างๆ มันต้องนิ่มนวลพอสมควรเวลาวันหลงนิ่มนวลกับความหลงจะทำยังไงเดีย๋ยวให้มันหยาบหยาบมาหนักให้เป็นเบาฟางยากให้เป็นง่ายมาผิดให้เป็นถูกตรงนี้ต้องมีสตเิเป็นเป็นเครื่องรับมือ ในโรศของโลกที่เป็นโลกเกียธรรมมีสติถ้ามีสติอาจจะยิ้มได้น้อยๆเวลาอะไรที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราคือชีวิตนี้มีกายมีใจสำหรับรองรับรสของโลกเราจึงมีงานมีการทำ มาใช้ปล่อยทิ้งการงานของเรางานสร้างโลกุตละนี่เป็นงานชีวิตของส่วนตัวของใครของเราเราจะได้ประสบการณ์ได้บทเรียนจากโลกียะนี่ให้มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งขึ้นน่าจะขอบคุณ ความหลงความโกรธความโลภความทุกข์เพราะมันทำให้เกิดการพัฒนาก็าเกิดการพัฒนาให้ดีขึ้นยิงน่งมันเกิดขึ้นเท่าไหา่ก็ยิ่งจะได้บทเรียนมากเท่านั้นอาการที่เกิดกับกากับจิตใจ มากมายหลายอย่างก็จะตามมันทั้งหมดที่ร้อยพบที่เฉลิ้นใชชาติเอกีสงขายชาติก็ไม่จบไม่สิ้นแต่ถ้าเราศึกษาแบบโลกุต ธ, ธรรมแล้วจบเป็นท่านคาดไปเป็นสูตรเหมือนกเราเรียนหนังสืออ น, นุวาลประถงมัธยมชั้นอุดม จนสุดเป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญในวิชายการต่างๆได้บางกายของเรามันก็มีสูตรจิตใจก็มีสูตรสูตรเจ้าก็บอกแล้วในโลกรุรธรรมตั้งต้นที่ตรงไหนเราก็รู้หลังแล้เจอพระสูตรอยู่ตลอดเวลา <c oughs> อันเดีก็ขึ้นป้าย วัดป่าชโกโตสถาบันสติปัฏฐานเขตขาดสถาบันแท้ๆสติปัฏฐานอยู่ที่ไหนทิศทุกทุกชีวิตเป็นสาบันเรื่องนี้เตือนให้จบอยายานปรศสนาสติปัฏฐาน จิงใดที่เกิดขึ้นก็โตไปกายในกายเห็นสักว่ากายไม่ใช่สัตว์ุคนตัวตนโลกเขานี่ก้าวแรกที่ข้าวสู่โลกุตตธรรมโลกุตตะธร ร, รม <laughs> อันฮ่าฮ่าฮา่รีดมันเฉยอ้าวแรกก็ตรง น, นี้กายสักว่ากายไม่ใช่กูโตไปอีก มันมีกายแล้วมีกู้ไปอกีกกี่กู้ก็ไม่รู้เ ป, เป็นตัวเป็นตนเกิดช่อนช่อนอยู่เนี่ยมันเป็นทางโลจิยะไปทางเคยจเจ็บตายมันเกิดมันดับจุกีพบขีชาติรู้ไหมเกิดกับตายนได้เห็นสติปัฏฐานเป็นสถาปัญที่ศึกษาโอชะว่ากายไม่ใช่จัดปุกคตัวตนหล่าเขา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 วุ่นวายกันทั้งโลกแย่งกันก็านั่นนี่ไปกันอ้าวทุกเรียกว่าเวทนาสักว่าเวทนาไม่ใช่สดอุคคตัวตนหลอขอลองดูซิแน่แน่ใช่ไหนเาเนะต้องการอะไรกันแนะ่หรือทำแบบจย่อนย่อนจุ่มอยู่ล่อๆ อ, อ, อยู่มันสายล่อฟ้า ชีวิตเหมือนก็สายรอบว่าเขาจะเป็นสุขเป็นทุกข์ลงได้ว่าลงได้สุขเป็นสุขสูญเสียไปหมดเลยชีวิตของเราที่เป็นบริสุทธิ์ปวดผองปวเพื่อนปนเปรีไปหมดจิตที่มันคิดขึ้นมานี่ ไม่มีกิจไม่มีธาตุลู่หรือว่าปิญญาณาธาตุมันลู่อะไรมันเป็นลู่เป็นน้ำเนื่นยแล้วก็มันคิดยิ่งใจต่อหวานของกิจคือดความคิดเป็นไม้เป็นมือของกิจใจมันก็เกิดคิดขึ้นมาโดยที่ตั้งใจก็มีไม่ได้ตั้งใจก็มี แล้วก็ทำตามความคิดด้วยตัวกับความคิดถ้าคิดไหลขึ้นมาก็ตามแบบอาจจะความพอใจซ่อนในความคิดไม่พอใจซ่อนอยู่ในความคิดไปอีกตามตามความพอใจทําตามก็ไม่พอใจไปไกลเป็นภพเป็นชาติไปมางทีความคิด มาคิดแบบกดตอดตัวให้เจ็บปวดน้ำตาไหลนอนไม่ดับกินไม่ลงความคิดเฉยๆก็ไปไกล่อยกลแล่นไปไกายเป็นพวงเป็นเหลือพ่วงไปหนักอึ้งไปไม่รู้จักวางหยุดคิดไม่เป็น มากลายเป็นอารมณ์ไปเป็นจริตนิสัย ก, ก็คุณเหมือนดินพวกหนงหมูผู้ที่หวังไปสู่โลกุตตรธรรมผู้ที่หวังไปสู่โลกุตตรธรรมต้องเด็ดขาดมีการเด็ดขาดกับตัวเองบ้างอย่าเด็ดขาดกับคนอื่นจึงอื่นว่าถูเด็ดขาดกับตัวเราเนี่ ชากขึ้นมาเห็นโลสึกตัวจิตก็สักว่ากิจไหนใช่จดปุกคนตัวตนโหลขอนี่เราหลงก็ยังเฉอยอยู่ทุกก็ยังเฉอยอยู่สุกก็ยังเฉอยอยู่แม่ที่มันเป็นอะไรเกิดขึ้นมากมายกระทบกระทั่งไปจนถึงก็ยังเฉอยอยู่ได้ มีไม่มือทําความชั่วมีป่าพูดสิ่งที่ผิดมีจิตใจคิดสิ่งที่ผิดมีก่อยก็ทำในสิ่งที่ผิดปล่อยก่ยถึงชาติมันคือตขึ้นม า, มนนมาถ้าปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานเป็นสามันจริงๆมันพิษธรรมบันจริงจิสิ่งที่ผิดที่ถูก บอกอยู่ในนี้ถ้ามีสติจะเลือกเป็นรลายเป็นดีรู้สึกรู้สึกตัวกับมารู้สึกตัวโดยเพราะวิชากรรมฐานไม่ใช่เป็นบทท่องจำเป็นภาพปฏิบัติไม่ใช่หรือกายสมองกายไม่ใช่สตบุคคลตนตโลกของอันนี้เป็นภาษานกแก้วนกขนทอง อ่อนที่มันจะเป็นกายสตว่ากายม่อยู่ตรงไหนตรงที่เหมือนเกิดไหลเคลื่นอนผายนั่นเนาะไม่ใช่ท่องจำแล้วเป็นภาคปฏิบัติเป็นภาคกรรมฐานมีสติลงไปกรรมถานที่ตั้งแห่งการกระทําบางกระทําเป็นต้นเหตุ <c oughs> หนึ่งคือการกระทําเป็นต้นเหตุนับหนึ่ง เกิดขึ้นมาลู่ทันตีอะไรที่มันเกิดกับก่อนลู้ทันตีทาแล้วไม่ทาแล้วไม่ลู้แล้วแล้วก็มันมือตรงนี้นะถ้ากับประธานจริงๆนะผู้ที่ผู้ที่จริงๆนะในเรื่องชีวิตนี่อาจจะไม่นานนะเหมือน มเมล็ดพืชมเมล็ดพันธุ่มันไม่ถูกค ว, วามชื้นไม่ถูกความชื้นไม่ให้ถูกอะไรต่างๆมันก็ไม่มีโอกาสทิเกงอกได้เมื่อไม่ถูกความชื้นไม่มีโอกาสถูกความชื้นไม่มีวิธีเก็บรักษามันก็จะบอดได้ เป็นข้าวเปือกเป็นพืชทันพืชต่างๆอาจจะบอดได้ปฏิบัติธรรมมันก็บอดนโะบอดในู้กียะได้สุขไม่เป็นสุขทุกข์ไม่เป็นทุกข์สั่ธรรมนี่ยนี่กรรมาฐานาามันสัจธรรมมันโบอดได้พไเดรพเราะไม่เกิดควมสุขกเพราะไม่เกิดควมทุกข์เพราะไม่เกิด ที่หรือต้นเหรอคะเพราะไม่เกิดความปวดรูปหลงเพราะไม่เกิดมันปวดได้ใบสูรโลกก็ทำได้เหนือโลกได้ในชีวิตนี้เราจึงต้องเด็ดขาดกับความใช้ชีวิตบ้างปวดเลียนเยอะแยะปวดจากกายก็มีปวดเลียนเกิดจากจิตใจก็มีปวดเลียนเกิดจาก ทำก็มีบทเรียนมากมายแม่ทำก็เป็นกุศลหรอกุศลแม่ลกก็มีโลเภียาโลกุตละทำเป็นโลภียะทำเป็นโลกุตละถ้ามีสติจะรู้จักเลือกได้เวลาเราฝึกกรรมฐานมีสติสายเห็นกายอยู่เป็นใบจอมเ็นนกเตือกผูกแขนเข้าเหยียดแขนหนอก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 ภาวนะหนาเอากายมาเป็นความขยันลูกเอาควมคิดมาเปเรื่องเกิเอาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาเข้าใจมาเป็นวัตถุอุปกรณ์ให้เกิดเกิดความขยันลูกณภาวะที่ลูกนี่ใช้ได้ทุกรูปแบบที่มันอยู่ในกายในใจเรานี่จะเป็นสุข ก, ก็ลูกจะเป็นทุกข์ก็ลูกจะเป็นโกรธโลภหลงก็ลูกจะเป็นความคิดก็ลูกมากมาย ตอยอหได้ทุกวิถีทางนียสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเนี่ยมาลอะไรก็จะรูมันทั้งนั้นแหละถ้าทำกรรมฐานถ้าทำกรรมฐานจะนั่งยกมือสร้างจังหวะเลือนอยู่ถ้าไม่อะไรมาเกิดขึ้นถ้าไม่มาเป็นรูนี้มันก็ยังใช่มาได้ยังไม่ถูกภวานา เดินแต่รูปแบบเป็นจิริยาไม่มีกรรมไม่มีผลยังจะให้ถูกการผูกตนสอนตนต้องจับให้ถู ก, กสกสยใจเั่หน่อยไม่ใช่ทำแบบงมมงสาวๆต้น น, น, น, น, นุ่นเดาๆคำหนวนเขนเอาไม่ใช่แบบนั้นต้องจับให้มั่นขั้นให้เหนียวมันเชื่อเป็นทำให้มันเป็น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 มันจะมีอะไรมากมายถ้าเราเอาจริงๆหนึ่งนะก็ผันด่านให้เราได้เห็นทุกอย่างที่มันเกิดกกบดกากับใจเรเนียจบได้เพนั่นจึงเราตั้มใจลงสนามผึกตนสอนตน โอกาสดีดังทีทองเรามีมิตรมีเพื่อนกันมีตัวมีตนขอ เ, เทยเพื่อสูตรพูดในกันฟังเพื่อย่อมเตือนมันอยู่ที่เป็นออาจากพื่สูตรมาพูดต่อมันเป็นหมดการกระทําให้มันเป็นปัจจุบัน ในโอกาสในเวลาในับกาส ช, ชีวิตของเราเอาไปสอนเราได้ทุกอย่างในพระสูตรนั่นนะ เ, นเช่อนพระเจ้าสอนอนุนนิใาหันิกรารหังอาดันทาว่าขามิเราจะขี้โทษแล้วขี้โทษอีกไม่มีหยุดเราจะขนับแล้วขถาออีกไม่มีหยุดผู้ใดเป็นมรคนเต็นเจสานที่ทนอยู่ได้ คนเราคนคุปปุกคนที่มีปัญญาใดคอยขี้โทษเขาคอนับอยู่เสมอไปว่าผู้นั้นแหละคือผู้ที่ขุมชอบให้เราเอามาสอนเราแม่พระพิเจ้าป ร, ริพานไปนอนแล้วนั่นก็ยังเป็นปัจจุบันปัจจัตังอยู่กับชีวิตเราเป็นตัวเป็นตนอยู่โพหน้าเรานี่ครูบาอาจารย์ก็มีอยู่ เห็นรอยเห็นมีกลิ่นมีไอกันอยู่ความดีความถูกต้องไม่หนีไปไหนอยู่กับชีวิตเราเนี่ยไม่เปลี่ยวเดียวดายวันนี้ก็แจไปอีกวันหนึ่งงดไปแล้วชีวิตเราทำอะไรอยู่แต่กับตัวท้งโลกระบ้างไหมหรือมีจะจำลงไปหมักหมมในหลวสีีะ หกพุณ ค, คุณคิดในรมที่คุณคิดน้อมขี่จ้องใจประทานได้ใาเป็นอารมณ์หาพีริทิ์นิสใยไปก็มีคิดมากน้อมใจไปอะไรมากก็เป็นอารมณ์พิริทิ์นิสใยแบบนั้นได้น้อมเจ้า เพาว่านานี่มันเป็นเรื่องศาสตรนกันการใช้ชีวิตของเราการเลี้งลูกความลูกไม่มีอะไรขวงกันได้การช้ีวิตของลูกของหนามมาเป็นเรื่องความลูกทุตัวบ่ทุกทุกทั้งหมดบ่ทั้งหมด ไม่มีอะไรที่ปิดปังได้มันความรู้สึกตัวน่ยมนันประเสรฐที่สุดความรู้สึกตัวเปกับการใช้ชีวิตของเราที่มีกายมีใจอาการเกิดกับกายอาการเกิดกับจิตใจความรู้สึกตัวกํากับตัวเลยได้ทั้งหมดเลยหนีไม่พ้นเหมือนพระพุทธเจ้าว่าผู้มีสติเป็นหน้าโลก ไม่เผอเมื่อโลกเห็นปดเราก็ได้สูตรได้สูตรที่จะมาศึกษาเรื่อง น, นี้จริงจริงไปอยู่กับเราทุกชีวิตสูตรนี่แม่ต้เขียนไว้หนตำราเขียนไปตัวหนังสือแข่ยนไอยู่ในชีวิตเรานี่นะ ไม่ใช่อยู่ที่หลังสือสัมผัสดได้ในคำว่าพุท ธ, ธะสัมผัสดได้นะคำว่าธรรมะสัมผัสดได้นัมาสัง้าเป็นคุณธรรมที่เกิดกับเราเพราะทมอยู่ในชีวิตเรา ก็ทำให้เป็นสิ่งที่มีคุณมีค่าถ้าอาธรรมอยู่ในชีวิตเราก็ทำให้สูญเสียริงเหล่านี้เราทำได้ทุกชีวิตกระลบพระธรรมไม่กรลบอาธรรมก็ม้วง <c oughs> เดิมหลงเป็นออะทำรว ม, มรูปเป็นธรรมมีไหมเราเอาเราลบอลายเราวน้อมใจไปทำอย่างไรเสียเวลากับอะไรบ้างสิ่งที่ควรแก้ไม่แก้สิ่งที่ควรามก่อนทาทีหลังไม่เป็นระเบียบมันก็เลยเป็นการบ้านงานยุ่งเหยิงงานข้างคา ร่วมหลงอยู่ผ่านมาแล้วสองวันสมวันยังหลงอยู่ควทุกข์ผ่านมาแล้วยังหลงยังทุกข์อยู่ไปทำวันอื่นตอนเช้าปีท้ำก่อนต้องทำก่อนก็คือปฏิบัติธรรมนี่มันจะเป็นละเบียบดีมันสอนตัวเองได้ดี ต้นโอของอกุศลเกิดจากความหลงแน่นอนต้นโตจากกุศลต้อเกิดจากความรู้แน่นอนที่สุดตั้งต้นตรง น, นี้แก้กาแก้ตรงนี้แล้วก็กรรมวิชากรรมฐานก็เพื่อการนี้โดยตรงไม่ใช่ท ร, รมันอื่นทำได้ทุกคน หว่างความหลงระหว่างความรู้เห็นทุกคนไม่มีกันปิดปังอภิพาตเวลาเราฝึกกรรมฐานมันจะชูวให้เห็นความหลงความรู้ทันทีที่แรกเลยทีเดียวด่านแรกเลยเห็นความรู้เห็นความหลง เป็นประตูแรกเป็นด่านแรกมีแต่ลูกมีแต่หลงแล้ว ก, ก็จะลูกไปอีกมากมายจับหลักได้เดินเอาเองก้าวเองได้วิชากรรมฐานเป็นวิชาที่เกิโตูตได้เองไม่ใช่คนอื่นทำให้เกิตูตได้เอง เดินไปได้เองเพียงแต่บอกว่าผู้แขงเข้ารู้สึกเหย่อแขนออกรู้สึกแามันคิดกับรู้สึกตัวอะไรที่เกิดขึ้นมารู้สึกตัวกับมานี่ก่อนวัาฐานเป็นที่อยู่เดิมก่อ น, นเราเพ่งไปหาเหตุหาผลใช่ความคิดแค่ความคิดกับมานี่ก่อน มันเกิดไหขึ้นมากับมาเนี้ก่อนแล้วกลับมาลูกก่อนมาลูกก่อนความลูกมันจะเป็นขยายไปเองขยายเป็นสติปัญญาไปเองเปัญญาณทัศนะไปเองไม่ต้องไปใช่เหตุผลเหตุผลไม่ใช่สัจธรรมรวมหลง ไปเอาเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ใยญ่ใหญ่ใหญ่หทำไ ม, ทำไ ม, ทำไม่ทาไม่ทาไม่ทาไม่จะหลงมืนน่าจะหลงเมือนน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปใหญ่มนักปฏิบัติชาวบานทำไม่จะไม่มีมีแต่รู้ทันทีไม่เสียเวลานี่สิ่งที่นที่มาก่อนแค่ก่อนเหมือนเป็นรู้ก่อนไม่มีทํำไม่ มันถูกก็ทําไม่ทาไมมันทุกก็ไม่บ้าทําไมมันผิดก็ไม่ทําไมถูกก็ไม่มีอะไรมีแต่ลูกมีแต่ลูกไปก่อนชียไปไปอย่างนี้ปัจจุบัก็บอกว่าอย่างนี้จริงๆนะกายเฉพากายไม่ใช่สัตว์คนตัวตนเราเขาเสีวไปไปก่อนแม้จิตใจมันยังไม่ลงตัวก็คิดทางไปอย่างนี้ก็ เวทนาสักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์อุคุนตัวตนเราเขาไปทางนี้ก่อนจิดสักว่าจิตมันจะเกิดความสุขความทุกข์จากจิตก็สักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์อุคุนตัวตนเราเขาอจะให้มันไปสุขควทุกข์ความคิดจะให้ทุกข์ความความทุกข์อย่ากให้สุขความสุขไปก่อนสุขก็สักแต่ว่าทุกข์ก็สักแต่ว่าไปก่อน เป็นทางไปก่อนบุกสักหน่อยตอนนี้ต้องบุกสัหน่อยจะหยอกแก่ถ้าว่าบุกเบิดไปไปเข้าทางทำไมต้องเข้าไว้ก่อนสมมติเราจะทําฉากทุนเสาทุานนี้เป็นสี่เหลี่ยมต้องเข้าไว้ก่อนเอาตั้งไหนตั้งเข้าก่อน ถ้าเข้าแต่แรก็ไปเป็นรูปเป็นร่างไปง่ายชีวิตเราก็เข้าไปมีสูตรอยู่เนี่ยสถาบันจิตประธานสูตรมีกับพิวิตเราทุกชีวิตไม่เป็นหมันมีชิติมีโอกาสใจด้เตยมที่ร้อยเปอเ มีกายทุกคนมีมือทุกคนคู่เขียนเขารู้สึกเย่าเขียนออกรู้สึกรู้จริงๆไม่ได้คิดเอาสมบัติได้รูปที่สมบัติรู้อกเองนี่ไม่เป็นดุนเป็นก้อนตั้งต้นจากรกายนิมิตงั้นเราไปเขียนหัดเขียนหนังสือก็กิอยู่ในกระดานหัดเขียนไว้ก่อน มาหัดเียนหัดตูวมันก็ติดเดี๋ยวนี้มันก็อยู่ที่นี่แล้วงานมีสติเห็นตูวกาอยู่เสมอมก็อยู่ที่นี่อะไรที่มันมันก็ลู้รูู้้น้อยน้อ ย, อยกม้มเอเดียวพับใส่กระเป๋าชีวิตทั้งชีวิตพับใส่กระเป๋าเรียบร้อยไปเลยเราอยู่กับโลกได้โลกเยอะจะมีขนาดไหนเหยียบไปเลย กูเ แ, กแก็่เจ็บตายไม่มีขอุ้มชุบกมทุกข์ไม่มีบอดไปเลยต่อให้มันบอดจะกล้าไปกล้าบอดไปไม่คี้น้อยจะกล้าบอดไหมเส <c oughs> ียดายเลยเสียดายโลกเลยมีนะบางทีก็เสียดายนะเสียดายโลกนะนั่นหงเนอาแค่ไหนเพียงไรฝึกกรรมฐานเนี่ย ก็บอดจริงไหมแล้วก็บอดก็ไปท้ายนี่นะนี่โลกุตัะจังเหนือโลกเอาน่าเอินไหมพระเจ้าจังหวัดชาติสิ้นแล้วคิดสิ้นอะไรชาติสิ้นแล้วผมว่าจันท์อยู่จบแล้วกิดอื่นทําไม่มีแล้วไม่มีแล้วมันโบดไม่มีอะไรกลายเป็นฟาราแล้ว มีแต่แกของแต่ยังไม่ตากรนาเกิดขึ้นตายอเป็นโมดกของชีวิตเราบุญกุศชีวิตเรามันเห็นหมดเนาะจิตเนี่เปิดเผยทั้งหมดบอกผิดบอกถูกไม่มีจิตหรอกเห็นผิดเป็นผิดเห็นถูกเป็นถูกเห็นสูบเป็นสูบ แค่นั้นเองแค่นั้นเองเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วรู้แล้วเห็นแล้วเห็นแล้วรู้แล้วเห็นแล้วรู้แล้วทาแล้วทาเสร็จแล้วจะไม่จบจะว่าไงเห็นแล้วรู้แล้วทำได้แล้วสำเร็จแล้วนี่ทุกอย่างอยู่ในแบบลักษณะแบบนี้เรียกว่าจบ มีอะไรมากมั้งใไหมในคิวิตของเราในกายในใจเราเน่ยแม้จะเป็นกิเลสพันหน้าตัณหาร้อยแปดมันก็แบบนี้มันไม่ลับลี่อยู่ที่ไหนตั้งต้นจากกายจากเวทนาจากกิจกรรมอาการของกายอาการของจิตใจมีให้เห็นหมดอาการของกายมีเท่าไหร่อาการของจิตมีเท่าไหร่เห็นแล้ว รู้แล้วทําได้แล้วทําสําเร็จแล้วอาการของกายรู้แล้วอาการของกายทําได้แลว้วอาการของกายทําสําเร็จแล้วมันก็เช่นนี้อาการของกิตสิ่งที่เกิดขึ้นกับกิดรู้แล้วทําแล้วทําได้แล้วทําสําเร็จแล้วเรีย ก, กว่าจบ จุดหมายปลายทางคือตรงไอ้เนื้อหนื อ, น อ, นอทุกอย่างอยู่หนลกูกเรียกว่าจานสมมาสมาธิจุดหมายปลายทางของอะไรบ้างนะสุขรอทุกข์พอเราสุขรอทุกข์เสียดายมีสติเป็นเอกคุดจยูเป็นเอกอยู่จบตรง น, นี้ พอเราสุกลราทุกต่ายมีสติพุดเป็นเอกวันที่สามย่อลงมาหน่อยก็มีสติเราสุกเราได้มีมีสติอยู่ในสุขนามกายเออวางเอกมีสติเราสุกเราทุกตได้มีสติพุดเป็นอยู่มีอยู่มีสติเป็นอยู่ มีสติเป็นอยู่จุดหมายปลายทางแล้วก็ตอนนี้ไม่ใช่สุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกอะไรต้องมาลงอยู่ที่ขวมรู้จักตัวงาลงอยู่ในขวมรู้จักตัวนี่จุดหมายปลายทางมองทิศเหนือนธงชัพหลานอยู่โน้นสบัดอยู่โน้นถึงสติสติสติเหมนสบัดธงใจไว้ว่าการสบัด อ้างเขาชีวิตของเราแนละ้นี่คือหัดกของชีวิตรเราเราพยายามนะจะเอาอะไรมาอ้างเอาความหนุ่มของาสาวเอาความแฉ่ความเท่ามาอ้างไม่ได้เอาเพศว้มาอ้างไม่ได้เอาลูกหลานมาอ้างไม่ได้ เอาบ้านเอาเรือนเอาผมทุ่งยากมางไว้ไม่ได้ามอย่างนี้ไม่มีอะไรอ้างขวงได้มีสติได้ทุกอย่างอะไรที่มันเกิดกับเราลูกอะไรที่เกิดกับลูกงองลูกลูกคิดถึงหลานลูกคิดถึงบ้านลูกคิดถึงเพื่อนลูกคิดถึงสามีลูกคิดถึงปัญญายุคคิดถึงคนที่ตายไปลูกคิดถึงคนที่ยังอยู่ลูกทำมาทะลุ รู felt, hum, the Hence, ้ถึงสุดยอดรู ah. theatre, ้เลยเนอยิ union, nih, ب, ああ่งใหญ่บางอย่าไปให้มันขว๋งอยู่ขว๋งล้อความช้างกักขังอยู่มัดต้องถีงเลยมันมันขี้เหเป็นไงขี้เหรมันเข้มแข็งเข้มแข็งอเอาเถอะนะฝรั่งของนี่อยุกขอเคียเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลย ในควหลงไม่หลงก็ได้นะหลากจะบอกอย่ น, นี้ในความทุกข์ไม่ทุกข์ก็ได้ความโกรธไม่โกรธก็ได้กิเลสตนะัณหาไม่ต้องมีกิเลสตัณหาก็ได้ไม่จําเป็นไม่จําเป็นเอาเลยนะอ๋อเอาให้มันรีบไปเลยสูดเข้ารีบสูตรประเกียบหลอด <c oughs> อมันติดต้นมปเลยนะไม่มีอะไรจะพูดหรอกสูดเข้ารีบสูตรประเกียบหลอด เขารีบไม่ได้พูดนะเข้าบอดเอามันบอดเพราะไม่เกิดมัเพราไม่เกิดจะให้เกิดสุขมันไม่เกิดจะเกิดทุกข์มันไม่ทุกข์เกิดโกรธเกิดอะไรไม่ไม่เกิดวางไปก็ที่ยงอยู่นันมันบอดเหมือนบอดวิเลศมันบอ ด, ล, บอดลุดโลกมันบอดเกิดปเด็นเกิปเด็นเกิดประเด็นี่รเรควรจะทำอ๋อ สมควรใช้เวลากัาบพระพร้องกัน